ทางทมต่อไปอีกเพื่อเป็นส่วนประกอบทำการศึกษาปฏิบัติเรากำลังเป็นนักศึกษามีสติดูแลกายใจของตนอย่าปลอยกายพลอยใจทิ้งไม่เสียงไหน <c oughs> ดูแลกายใจให้คุ้มมีสติเป็นเจ้าของเป็นใหญ่ใ้สทธิได้ร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับสติสามปัญญาคือรู้สึกระลึกได้มีสติไปนในกาย ไม่ไม่ยากไม่หนักไม่ต้องไปรีดไปเชี่ยวไปเชิดนรากไม้ของเบาๆไปโงไม่นักเหมือนของหนักมันก็สิ้นแรงปลับทำความผิดให้ถูกต้อง ในความรู้สึกตัวเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจายเรามันมีแต่ของเก่าๆนั่นแหละ <c oughs> ความหลงก่อนเก่าความสุขความทุกข์ก่อนเก่าความโกรธความโลภความลักความชังอนเก่าแล้วก็ต้องเห็น โจ์ตัวใหญ่ยิ่งคือความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายนี่เป็นโจทย์ <c oughs> จึงมีเหตุให้เกิดเกิด <c oughs> พุทธะขึ้นมาเกิดแล้วเกิดจังไรเรามีสติดู เป็นกายจะเห็นแ <c oughs> ต่ก็เห็นกายสักว่ากายสิ่งนี้เกิดขึ้นกับกายมีมากจะมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพพเป็นชาติได้ที่จริงก็เป็นกายธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นกายเป็นธรรมชาติเป็นอาการตาม ความเป็นจริงของกายของลูก oh. เมื่อมันมีสิ่งใดเกิดขึ้น mm. กับกายก็อย่าเข้าไปเป็นตัวเป็นตนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นให้เห็นธรรมชาติ oh. สักแต่ว่าอาการของกายของลูก oh. มันก็พบเห็นบ่อย จะให้ชำนาญมากขึ้นเบาๆเห็นของเทศของกิ่งบางทีเกิดเป็นฉุกทางกายเกิดเป็นทุกข์ทางกายเป็นพบเป็นชาติสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนโอผิดเอาถูกก บ, บาการต่างๆ <c oughs> ไม่ได้เห็นเฉยๆไม่ได้รู้เฉย ๆ, ๆรู้ซื่อ ก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเสียเวลาไปกับอาการต่างๆพอให้หลงในความร้อนความหนาวความหิวความปวดความม้อยมันเกิดขึ้นเฉยๆตามธรรมชาติเราก็เป็นผู้หลงหลงไปตามอาการนั่นสําคัญบางหมายว่าตัวตนของเราเป็นสุขเป็นทุกข์คือเราทุขเราทุกข์เราลนโลหนาวเรปวดเลาม้อยเราหิวโรา ได้เราพิษมันก็ไปเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเรามีสติเห็นเนี่ยฉยเยรู้เฉยเฉยจักจะว่ากายทิ้งลงไปตรงนั้นเหตุาการธรรมชาติทิ้งลงไปที่นั่นแล้วเราก็เห็นความคิดที่เกิดขึ้นกับจิต โดยใจตัสิคือความคิดความคิดก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีสติก็จะเห็นความคิดที่ไม่ได้ต้องใจมันคิดขึ้นมาก็าาารู้สึกตัวเรามีกรรมาฐานมีที่ตั้งมีการกระทำต้องไว้มื่อกล่พู้มีพูด ถามผู้มีเพียงเพ่งอยู่มีสติสำชาติอยู่สิ่งใดที่เกิดขึ้นย่อมไม่หลุดไปง่ายมีที่ตั้งอยู่แล้วมีสติความรู้สึกระลึกได้หัดตนสนตนอหลงไปกับความคิดความคิดมันมีอารมณ์มันมีอุปทานมันมีความหลงความโกรธเกิดขึ้นจากความคิดได้ความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นจากความคิดได้ ความคิดพาให้สุขพาให้ทุกข์ความคิดมาหายากพายง่ายได้ยังแต่ความคิดเฉยๆก็เห็นมีสติเห็นอัน ค, คิดที่ไม่ตั้งใจการตั้งใจคิดก็ไม่ควรคิดหาเรื่องมาคิดในเวลาปฏิบัติให้เป็นสอดส่วนเป็นระเบียบเฉพาะเรื่องเฉพาะเรา อย่าให้เป็นงานงา น, งานยุ่งเฉิงสอบสวนผลไปกันจับโน่นจับนี่ขาดนีกายมีระเบียบหาดใ้ใจมีระเบียบเวลานี่ชั่วโมงนี้ให้มันลู้อยู่นี้อาศัยกรรมฐานเป็ น, ปนบรรทัดเป็นเช่นขีดไปกรรมฐานก็มีกาย เป็นนิมิตไปก่อนมันเป็นลูกเป็นสัมผัสได้คู่แขนเข้าย่าแฉนโดมีสติผู่แขนเขามีสติเจริญนดมีสตินี่คือให้มีระเบียบให้มีระเบียบให้สติมีระเบียบให้กายมีระเบียบให้ใจมีระเบียบ ให้สติมาลู้เรื่องนี้อย่าให้สติไปคิดไปทางอื่นจบโน่นจบนี่บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็มีมากก็อยากไปหลงเกิด ข, ขึ้นกับใจก็มีมากก็อยากไปหลงคือวันคิดความคิดเกิดจากความคิดเป็นจิตสิกมันพายไปไกลกลับมานั่งก็สักว่าคิต บางทีมีอาการเกิดขึ้นจากความคิดเป็นธรรมาเป็นธรรมเป็นกุศลเป็นอกุศลเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความง่วงเมาหัวนอนเกิดความละเลยสงสยัยเกิดความคิดฟุ้งซ่านเป็นไปได้จากความคิดเช่นเดียวกันก็เห็นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งที่เกิดจากความคิดที่ว่าธรรม บางทีก็เกิดความสงบบางทีเกิดความรู้มัวนั่งก็อย่าไปหลงเกิดความสุขก็อย่าไปหลงเกิดความทุกข์ก็อย่าไปหลงนั้นก็มีอยู่สุขนั้นน่ะทุกข์นั่นน่ะมันมีอยู่มันมีแบบไม่จริงมันมีแบบจริงของเขาแล้วก็มีสติเห็นนั้นบอกคุณสอนเราได้บทเรียนจากกายจากใจ ธรรมชาติมันสอนไม่มีใครจะสอนเราดีกว่าธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติกดธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาติแล้วก็เห็นตามความเทศความจริงเห็นเรื่องเก่าเห็น่างเก่าเห็นกายเห็นใจเห็นลูกก็เกิเห็นเป็นลูกเป็นนามเป็นลูกทมเป็นนามรมต่อไปอีกเป็นลูกทุกเป็นนามทุกต่อไปอีก แต่ขานใลเป็นปริยัติไปเลยตอนเนียปฏิบัติเบื้องต้นแต่ขานเป็นปริยัติเป็นนักปริยัตไปเลยถ้าศึกษาก็จะไปบางทีมันเกิดจินตญานเกิด ค, ความรู้ก็อย่าไปหลงเกิด ค, ความไม่รู้ก็อย่าไปหลงไม่หลงทั้งหมดไม่หลงทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้ น, นกับกายกับใจมีสติอันเดียวให้เป็นสติปัฏฐานโต้โตบทักท่วงตรวจสอบ ตติปทานเป็นสติกับเป็นสติเป็นใหญ่ไม่ไปกับสิ่งใดตั้งหลักไวาเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นเจ้าของมีสิทธิเจ้าของกายเจ้าของใจดูแลกาใจดูแลดูแลกายดูแลใจคุ้มไม่ปล่อยทิ้งกายก็ปลอดภัยใจก็ปลอดภัย มันจึงจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาไม่ใช่ไปโขไม่ใช่โ อ, อนหลนเกิดจากการมีสติไปในกายถ้ามีสติไปในกายดูแลอยู่ก็เท่ากับว่าละความชั่วมีสติไปในใ จ, ใจิตใจก็เจะว่าละความชั่วต้องดูแลกายใจดูแลดูแลกายดูแลใจอยู่ก็ละความชั่วทำความดี จิตก็ค่อยบริสุทธิ์ไปไม่เปื่อนไม่มีอะไรมาเปืดอนืนอนาิตเลยก็รู้สึกตัวจะได้มันจะไปไหนโดยเพพาะกรรมวชารพิชากรรมวิชานี่ตามรูปแบบของสมปัจจยบพะในสติปัฏฐานสี่ที่เราทำอยู่นี่เรียกว่าสมปัจจยบพะรู้ทีมาก สิบี่ลูกสิบสี่จังว่ามันเพียงพอไม่มีช่องว่างให้ความหลงเกิดขึ้นได้มีเกิดขึ้นได้ก็ไม่มีที่ตั้งตั้งสามารถสลัดออกไปได้เพราะมันถี่สติประฐานมันสมัชญชยบับพปะมันถี่หนึ่งลูกสองลูกสมรมลูกทุกวินาทีก็ว่าได้มันจะไปได้ไปไหนได้ นล้นกิดเส้นเหมือนกับบังคับไปมาผ่านนี่ทั้งหมดอะไรที่เกิดขึ้นกับกายรกรับใจผ่านสติปัฏฐานทั้งหมดเลยสมชย บ, บพะไม่ฟรีล้มหลงก็ไม่ฟรีรวมทุกไม่ฟรีความโกรธไม่ฟรีความอะไรต่างๆควนาต่างๆไม่ฟรีผ่านมาตรงนี้เหมือนช่องแคบมาให้เห็น ต่อไปเห็นอันเดียวเห็นอ้นเดียวเหน็นเดียวมันจะเป็นอย่างไรมันก็เรื่ความชํานาญเกิดขึ้นเมื่อเห็นก็รู้นอนชานานเมื่อทุกก็รู้เมื่อสุกก็รู้เมื่อผิดก็รู้อะไรก็รู้นี่ราไว้ความชํานาญเกิดขึ้นทีแรกก็หัดให้รู้ก็มามีที่ตั้งใช่ไหมหัดไปหัดมาก็ชํานาญ เป็นเรื่องศิลปะเป็นเรื่องศาสตร์เรื่องศิลป์ไปเลยเนี่ยว่าไม่มีใครที่จะทําให้เป็นไหนนอกจะเราทําเองทำให้มันเป็นเสร็จแล้วก็หัดหัดแล้วมันก็เป็นไม่ได้หัดจนตายนะบางคนหัดใส่ดีกันชั่วโมงหนึ่งอาจจะเป็นได้อย่าง อุคติตันอยู่บุคคลเหมือ น, อนบัวพ้นน้ำโอ้ได้เฉีงแต่เฉีงอทีรก็มานดเลยเป็นได้พระลหันบางลูกเรียกว่ามีต่ชัลูกเรียวพันมีได้เหมือนกัน แต่ว่าไม่แต่แขนทีหลังส่วนการพ้นทุกเนี่ยแป๊บเดียวนะเห็นแก้งควบลุกทุกไม่จริงควบไม่ทุกคือสติมันจริงแป๊ บ, ปบถอดเหลืวควบโกรธไปจริงควบไม่โกรธมันจริงมันโบกพอมกันไปเลยพิษมาเป็นถูกอะไรมาร้ายเป็นดีหมดนันจะไปที่ไหนเมื่อมันเห็นเวลาเราปฏิบัติไม่รับไปรี ไม่ลึกลับลึกซึ้งเห็นความหลงลึกซึ้งในเปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่มันลึกซึ้งมันสมจิตสมใจยิ่งมัทุกข์มันโกรธนี่เปลี่ยนมันรู้เนี่ยมันลึกซึ้งมากมั่นใจมั่นคงเหมือนกับก้าวเดินอย่างมั่นคงเหยียบถนนเหยียบพื้นดินอย่างมั่นคง นี่เราทำเองไม่ใช่ใครมาช่วยเราเราทำเองมั่มนใจมั่นใจเวลาเราปฏิบัติมาในจะมาก็มาถ้าถ่ายได้เบอกใสเลยเอ๋อเราจะรู้ยเนี่ยมันคิดถึงเพียมพาเลยจะพูดปัตศีตะถาสมัยเป็นออกปวดไหม่มคิดไปรับมาคิดถึงเพียมพา กับมาคิดถึงเราหนกลับมาคิดถึงประชาชนลูกกลับมาคิดถึงอะไรที่มันเคยชินคนมีลูกเมียก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเนื้ที่มีกิเลสตนณาก็ย่อมคิดให้มันมามันเคยใช่เรากิเลสใช่กายใช่ใจตัณหาใช่กายใช่ใจความโกรธความโลภความทุกเคยใช่กายใช่ใจเรา บบบนี้เรามีสติเป็นเจ้าของไม่สิทธิของกายของใจยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าสติอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมานรับใช้สติแต่ก่นนี้ตามันใช่เราหูมันใช่เราจมูกลิ้นกายใจมันใช่เราเราต้องทำตามมันบบบนี้เราใช้มัน มาให้เราใช่เลยมีสติเป็นใหญ่เรีว่าสติอินทรีย์แต่ก่อนความคิดก็ใช่เราไม่อยากคิดมันก็คิดหยุดความคิดไม่เป็นเป็นทุกข์เพราะความคิดมากกูจะแปือเปอร์เซนทุกข์พรคนอื่นทำให้มีไม่มาก เน้นทา่สนาสอนสอนได้เสียมัดถุกสิ่งของไหม่มาอันความทุกข์ความคิดเนี่ยแม้นอนอยู่พัก็ยังทุกข์ความคิดได้ไม่มีสิ่งใดเห็นความคิดเท่ากับสติจะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ปัญญาสามีลกูกตานปีมาช่วยไม่ได้เลยยิ่งมีเวลามีความเก็บ วามตายก็ยิ่งไม่มีทางที่จะคนอื่นมาช่วยเรามีสติตอนน่ะเราจะมาประกอบให้มันขึ้นมาโดนดวนสักหน่อยอย่าเฉยช้าจะเน่นช้ามีโอกาสขอให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ ต้องดูไม่ต้องคิดเรื่องอยู่เรื่องกินไม่ต้องคิดเรื่องใดโ ส, สดายต้องดูเอาเราจะทำอย่างนี้ต้องดูสตินี้สิทธิของท่านร0อยเปอเอย่าลบกวนกันอย่าทำให้เกิดการหลงเกิดขึ้นในหมู่คณะงดเป็นจากความโกรธความอิจฉาเหียบเยียดดิดขาดดิดขาดจาก ภายนอกเด็ดขาดจากภายในยไม่หลงเด็ดขาดมาที่ไหนไม่เด็ดไม่หลงเด็ดขาดเข้มแข็งแตก่อนความหลงมันอ่อนเดือเข้มแข็งในความอ่อนเดือมันทุกข์อ่อนเดือมันจะทุกข์เข้มแข็งในความไม่ทุกข์มีสตีเข้ามาตรงไหนมันอ่อนเดือเข้มแข็งตงน้นไหนมันผิดมันจะมีถูก มีความรู้จึกตัวทาได้จริงจริงปฏิบัติได้ให้ผลได้มันหล ง, ลงเปลี่ยนไม่หลงได้ร้อยเปอรนมันทุกข์<ง>เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้มันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธได้มันคิดเ ป, เปลี่ยนไม่คิดได้มีสติอย่าหาคาตอบจากความคิดไม <c oughs> ่มีคาตอบจากหยานปัญญาอยา เห็นในลูกเห็นพภพเห็นคำตอบจากความคิดมันคิดเห็นมันอยู่ไกลคำตอบจากปัญญาญาณวิปัสสนาญาณมันอยู่ใกล้มันภพเห็นคิดเห็นกับภพเห็นมันต่างกันภพเห็นนี่มันจบด้ายด้ายถ่านนี่คือลูกนี่คือนาม นี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนเกี่ยวข้องกับสิ่งเป็นทุกข์อย่างงดงามแยบลอยปล่านิ่ไม่กระทบกระทือนถ้ามีสติไม่งเจ้ลาลนี่งเอานโยนสุกขขมรอบขอบถ้าจะเป็นคําพูดก็บกไม่เป็นอะไรภาษาคำพูดภาษาใจก็ไม่เป็นอะไร ก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่เรื่องส่วนตัวนั้นก็หมาะที่จะ ก, การสัมผัดกับจิงต่างได้แม้มันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ปล่อยทําได้ทําได้ เราหัดตนสองตนนะต้องหัดถ้าไม่หัดไม่เป็นนะมันจะไปทางที่รสของโลกมันมกกว่ากลัวรถของถ่อมความโกรธก็เป็นรถนะพอใจในความโกรธก็มีบางชีวิตนะว่าได้โกรธตอยไม่ลืมมันมีรสชาติ ทุกก็มีลสนะอะไรก็มีรสเนาะลสของโลกมันมีหลายโลสตาหูจะโบกเลี้ยกายใจก็มีรสต่างจะรังหารสชาติของอาิยตนะความสุกจากตาจากหูจากจขี่ยลี้นกายใจอาหารของโลกหกปาก ป่าก็กินอาหารหูก็กินจะบกเลีย้ยงใหญ่ก็กินอาหารลูกต้องหาอาหารให้แต่รถของธรรมีรถเดี่ยวจะนรถทั้งปวงรถพระธรรมย่อมเชิญรดทั้งปว ง, ถ, ง, ปวงถ้าเราไม่มีรถพระธรรมเราลูลกเราก็ยิ่งใหญ่นะบางคน อ, อยู่ไม่เป็นเลย ติดโ น, น่นติดนี่อนโน่นอันนี้ทำน่นทำ น, นี่นมังก็มีรสบางที่ก็อ้าว เ, เสยหัวตัวเองอาเรื่องตูปุลีกินเหลาเกิ่ยวตีดีหล่นบางทางที่ไม่มีประโยชน์มันก็เอาอาหารหกปอด ไม่ไหวลูกเป็นคนหามาทำงานการราเชนันที่กินอาหารเป็นอาหารของลูกไม่ใช่เลยเป็นเรื่องอื่นไปบุหรี่ไม่ใช่อาหารเหล้าไม่ใช่อาหารทุกวันนี้ก็มียาเสพติดยา마เม็ดถึงสี่ร้อยบาทมันก็หลงไปไกลคนที่ทำให้หลงในโลกมีมาก เฉพาะใบหน้าของเราเนี่ยมีบริษัทเป็นมือหมื่นบริษัทหาจินบนใบหน้าของคนหาจินบนเส้นผมหาจินบ น, บนกลิ่นอะไรต่างๆทงัทง้ทงๆไม่ใช่อาหารเราก็ทุ่มเทไปเท่าไหร่นี่รถพระธรรมเข้าไปน่อสิ่งอื่นก็ค่อยสำรวมลงอินทรีย์สำรวมลง เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นระเบียบเรียบร้อยครบผงจรนะปฏิบัติธรรมเนการครบวงจอเหมาะแก่การใช้การใช้การหมาะชก่การอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นสัตว์สังคมมีลูกมีผัวมีเมียมีลูกมีเจ้ามีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องเพื่อการนิรุตยตรงนะปฏิบัติธรรม นั่เป็นบุญก็ทำบุญจริงๆบุญคือกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เป็นบุญไม่มีทุกข์ไม่ ท, ทุกข์โตกัยเป็นศีลก็ละความชั่วแล้วมีสติเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเรามาคิดก็ไม่คิดแล้วกลับมาได้ไม่เป็นบาปทางความคิดพูดก็ไม่พูดมีสติก่อนจะพูดก็รู้จึกเลิกได้ไม่เป็นบาปในทางวาจา กายจะไปทําอะไรก็ไม่ไปเราอยู่เนี้ยกระรูดึกตัวเนี่ยก็ไม่เป็นบาปทางกายก็ทําบุญครบ <c oughs> บ่งชดเมื่อมีกายไม่ทาํทบาบุญว่ากายไม่ทําบาปใจไม่ทําบาปกายไม่ทําบาปมักเกิดมักเกิดผลที่ตรงนี้ บริสุทธิ์หมดโกรจากเครื่องเศร้ามองใจก็ไม่มีโรคโกรธหลงเมืองใช้มาโรคงามด่าครายก็ไม่มีสิ่งเสพติดวาจาก็พูดแต่ปียะวาจา่าพูดจา่าเป็นประโยชน์บอกมันหลงไม่หลงวาจา่าพูดจากนี้มันทุกข์ไม่ทุกข์วาจาบอกจากนี้มันโกรธไม่โกรธ ความโกรธมันจริงบอกจากนี้ควาไม่โกรธมันจริงบอกจากเนี้ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงบอกจากเนี้ยควาก็จาพูดความหลงก็ไม่จริงความไม่หลงมันจริงนู่นไม่หลงอยู่อย่างนี้มันก็เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายอันเจ็บมันเจ็บมันตายเพราะมันหลงมันไม่พบไมีชาติในสุขในทุกข์ สุขก็มีภพมิชาติทุกข์ก็มีภพมิชาติเกิดจากกายบ้างเกิดจากเวทนาบ้างเกิดจากสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไปเปืเ้อนมาไปติดอะไรมาเปเื้อนอะไรมาขันห้าเป็นอุปทานธาตุมันธาตุธรรมชาติเดินน้ามลงไปแต่มีขันห้าภพชาติเป็นอยู่ที่ขันท่าอุปทาน ในกายก็มีพพชาติเป็นลูกพพชาติเกิดจากลูกก็มีการเกิดเจ็บเจบตายเป็นเปรตเป็นสุลกายเป็นสันโลกเดรัจฉานได้พพชาติเกิดกัเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นผู้เป็นผุ้มเกิดเป็นเปรตเป็นสุลกายสันโลกก็ได้พพชาติเกิดในสัญญาภพบชาติเกิดในสังขารพพชาติเกิดในวิญญาณติดไปเลย ปิดมาเพาอหลวงพอหลังบิญญาณแบบไหนมนุษยเ์เสด็จโตมนุษย์เสด็รัชโนน่ะตาล่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นไรบิญญาณติดอะไรมาทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายก็มีคนในโลกนี่เมื่อไม่ฝึกฝนตนเองเป็นภาระต่อวสวังคม <c oughs> เป็นประลต่อตัวเองจนสร้างคุกท่้างตลางมีตำรวจทหารมีกองทัพมีอาวุธเป็นข้ากันเพราะมันหลง ม, ลงมลงาเกิดติสัมัญญาแลรู้ทำดีก็มีเมตตาคนหาเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กึ่งกูลจากชีวิตหนึ่งอาจจะมีคนมี อะไรเกิดขึ้นจากชีวิตหนึ่งได้แม่น้ำต้นไม้อากาศเป็นดินยิ่งเราไม่ลูกมีเมียมีพ่อมแม่ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกันช่วยกันเป็นที่พึ่งพออาศัยกันได้ปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวนี้เราไม่ใจก็พึงใจไม่ได้มีปัญหาคิดขึ้นมา น้าจับใจลัดขอตอวเองตายก็ได้ยิยงวเองตาก็ได้โดดตึกก็ได้มองจากข้าตัวโลทํ้ร้ายคนหน่นก็ได้นหาเกิดจับใจเนี่ยมันเป็นเหยื่อเป็นทานไหนทำชั่วอะไรสเร็จรันมีสมองมีปัญญาเอาปัญญาเขีกูมีสติลงไปแลยนะ จะช่วยกันไม่สติเดี๋ยวนี้เป็นคนเดียวกันเดี๋ยวนี้มีสติเดี๋ยวนี้แลอวความชั่วเดี๋ยวนี้มีสติเดี๋ยวนี้ทางความดีเดี๋ยวนี้มีสติเดี๋ยวนี้กิดบริสุทธิ์ทุกคนนับนึ่งจากตัวเราเนี่ยไม่มีทางอื่นนอกจากปฏิบัติตามธรรมมีสติมีสติไม่ใช่อยู่ที่เดียวมีอยู่กับกายกับใจเราเนี่ย ไปเถอไปอยู่ที่ไหก็ไปได้ดูแลยตัวเองคุ้มอยู่ที่ไหนก็กายแล้วก็มีใจแล้วก็มีวาจาก็มีมือห้านิ้วฉีดนิ้วทำวดีได้มือห้านิ้วสิบนิ้วรัความชั่วได้เป็นไปได้จริงจริงจริงที่เป็นจริงที่หลงไม่หลงเกิดไหลขึ้นแล้วมันหลงเนี่ยพาให้เราได้ผิดพลาดโดยหลายอย่าง เสียเปียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์มากบางท่านที่ไม่มีตัวไม่ตนตามตามมันได้เราจะเสียเปรียบความทุกข์ขี่อสงไขยแสนชาตมิมันมีอะไรความทุกขนะ์ไงมีชามีมาไม่ขี่มามีสตาร์วุ่นเลยมันคือจากความหลงโอ้จากความคิดจิตใจของเราได้ มัาไม่ยิ่งใหญ่เลยมีสติลงไปแค่ความทุกข์ก็กลัวแล้วยอมแล้วความกลัวก็ยอมทํา ม, ามด่ากันได้ไม่อายทำลายกันได้แตกแกกกันได้ดูดีๆแหล่คนเราเนยบางทีก็พึ่งตัวเองไม่ได้หน้าอายมากอายควมหลง แต่ก่อนดื้อด้านในความห ล, ลงเราก็ยังด้านอยู่ทุกข์เราก็ยังด้านอยู่โกรธเราก็ด้านอยู่ปัดจีบมีสติหล้องไปหนุ่มเจ็ดตัวหลงไ ป, งไปมันเป็นกอบตั้งกรรมขึ้นมานะ้ำได้ช่วยตัวเองได้ดูแลตัวเองคู่นี้เท่ากับดูแลคนอื่นเราจะเป็นความละ ก, ก่อ ตัวเราเนี่ยดีลักพ่อเลยแม่เราก็ทําตัวเป็นคนดีเริ่ดปัญญาสามีเราก็ทําตัวเป็นคนดีไม่มีทุกข์ไม่โทษนักประเทศชาติก็ทําตัวอย่างเป็นคนดีมันก็คือความรักคือตัวเราเนี่ยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้ใครจะลูกชายลูกสาวเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าได้สามีเป็นคนดี ปัญญาก็มีความสุขแต่ปัญญาเป็นคนดีสามีก็มีความสุขเหมือนรลามเห็นพระพุทธเจ้าบินทบบาทจะไหม้ต้นๆก็มองเห็นเดินมีทบบาทกวดตาดอยู่หน้าบ้านปวดทุ หล ว, วงงปัดทูใครมีลูกชายอย่างนี้พ่อแม่ได้เนปผานปัดทูใครมีพี่ชายอย่างนี้น้องได้เนปผานใครมีสามีอย่างนี้พัญยาได้เนปผานปัดทูหมอ ง, งใช่ไหมอันนี <c oughs> ้นะ <c oughs> พิสูจร์นะพิสูจรนะ อาเชิญหลังตาว่าอย่างนะพระสูตรก็รดีจริงๆเหมือนอุ่นใจชื่นใจสบายใจไม่มีพิษมีภัยต่อกันนะปฏิบัติธรรมนะมันเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสงบเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานหมดพิษนิพพานคือไม่มีพิษมีภัยแล้วเป็นใจเป็นบุญก็ใจดี ใจร้ไม่มีแล้วคนใจดีเพึ่งใจตัวอย่างกับคนอื่นก็พึ่งได้ถ้าคนใจดีแต่คนใจเย็นไม่มีพิษไม่ภัยอนิพานไม่มีพึษไม่ภัยต่อใครเราช่างได้นี้ช่างอนิพ า, านไม่มีพิษไม่ภัยต่อใครเราช่งานได้ มานิพพานสัตว์นิพพานไม่มีพิษมีภยัยคนนิพพานยิ่งดีวกว่าสัตว์เหล่านั้นจะไดช่วยกันสร้างโลกสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันร้อนเพราะคนไม่นิพพานถ้าคนนิพพานแล้วโลกก็จะเย็ยนลงมาไม่ทำํำลายอะไาเรืเ่งพาสิ่งต่ไม่มีความโลภ เกิดขึ้นรู้จะแบ่งปันกันตามธรรมชาตินับไปชอบเรื่องบูรณพ่อแม่ก็เป็นพระของลูกลูกก็เป็นคนดีของพ่อของแม่อยู่ยืยนเป็นสุขไม่มีทางเกินแล้วมีปฏิบัติธรรมมีศีลแล้ ว, วามชัว่วทำความดีทุกคน ก็อยู่กันได้โลกก็จะขึ้นถ้าขาดธรรมโกรกาวพินาศถ้ามีธรรมขึ้นมาก็โลกก็สงบร้องเงินเป็นไปเองจึงอยากจ ะ, จะชวนประเทศไทยให้ขอยมีสถานที่วัดแบบไทยๆวัดแบบพระพุทธเจ้า มีเวททางพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์เจ้าพุทธมีอย่างนี้เป็นของเราทุกชีวิตสามารถไม่ใช่ได้ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องขอยาจากใครมีสิทธิอยู่ได้ปฏิบัติทำได้มีเพื่อนมีมิตร เป็นโมเป็นมิตรไม่มีใครเป็นโควาอาจารย์เป็นแต่เพียงกัล ย, ยาณมิตรจะไม่พาหลงทิศหลงทางในการปฏิบัติมีการมีใจเหมือนกันเวลานี่สิ่งที่เราหลงเขาไม่หลงกันแล้วจิตเราทุ ก, ทกมีคนไม่ทุกก็มีจิตเราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธก็มีแล้วถ้ายังหลงยังโกรธยังทุกอยู่ถือว่าล่าสมัย ลวสมัยแล้วกัวไปกันแล้วน ะ, ะก็สมควรจะก็ลาให้แก่หงศิลป์เป็นอาจารย์ใหญ่ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ก็ร่วมกันช่วยกันหลายรูปอภาภัพห้องกัน